ขอความสุขความเจริญจุมิเดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในมัชฌิมนิกายคือสันเลกสูตรแปลว่าพระสูตรที่เป็นเครื่องขัดเกลาวจิตใจของบุคคลวันก่อนก็ได้พูดมาถึงประเด็นที่ส่งแสดงว่า ความเป็นผูสูตรมีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีการสลับศึกษาน้อยมายความัน ด, ด้านการศึกษาก็มีอยู่สองฝ่ายคือศึกษามาน้อยกับศึกษามามากคนก็ต้องเลือกเอา่าแต่เราเลือกด้านการศึกษามามากการศึกษาน้อยก็หมดไปคือเป็นด้สร้างปัญหาความเดือดร้อนอะไรให้แก่เรา หรือความเพียรเนี่ยมันมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงกับบุคคลที่เกียดครานถ้าเราเลือกความเพียรเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่เกียดครานเพราะว่ามันจะเป็นการคบผ่านผ่า น, พ า, นพาไปหาผิดคนเกี่เกลียดเกียดครานก็จะดึงฉุดลากเราไปสู่ความเกียดคร้านแต่เมื่อเราหลีกหลีกเลี่ยงไปในทางที่มีความเพียรมันก็เดินในคนละทางก็ไม่บรรจบ ก, กัน แต่ขณะดเดียวกันความเพียรก็ทาหน้าที่ขจัดความเกียดครานที่มีอยู่ภายในใจเราส่วนไปในใจคนที่เกียดครานถ้าเขายังเกียดครานความเพียรก็ไม่มีพลังที่จะไปขจัดความเกียดครานเขาได้หรือความเป็นผู้มีสติมั่นจะมีไว้สมัปหลีกเรียกบุคคลผู้มีสติลงลืม คนที่มีสติหลงลืมนั้นมักจะเผลอหรือมักจะหลงลืมมักจะพังพลาดมักจะเลอะเลือนมักจะผิดผิดถูกถูกบางครั้งบางคราวอาจจะปั๊มป๊บเบอเบอรไปเลยเราก็มองเห็นผลเสียหายในการมีสติที่หลงลืมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นามาฝึกที่มีสติตั้งมัน่นหมายความว่าจะทำจะพูดจะคิดก็มีสติกำกับอยู่ตลอด ความพลั้งพลาดก็ไม่เกิดหรือความถึงพร้อมด้วยปัญญามีไว้สำหรับริกเลี่ยงบุคคลที่มีปัญญาสามอันนี้ก็เหมือนกันคือเดินในคนละทางแต่เราดำรงอยู่ด้วยปัญญาเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีปัญญาน้อยเป็นว้แต่เป็นการช่วยเหลือคือกูลเขาก็ตามที่ช่วยได้ ความเป็นผู้ไม่ลูกครัมทิฏฐิของตนไม่ยึดถือมั่นคงและความสลัดทิ้งไปได้โดยง่ายเป็นทางสมบัติหลีกเลี่ยงบุคคลที่ลูกครัมโดยทิฏฐิของตนยึดถือมั่นคงและสลัดทิ้งได้ยากหมายความว่าถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อเรา ตัวอย่างที่บอกว่าเรื่องธรรมะปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตนก็ททำนองได้ค่าการอาหารเต็มโตเนี่ยเวลาบทรับประทานด้วยกันใครจะรับประทานอะไรเป็นเรื่องเฉพาะคนนั้นและผลรับจากการรับประทานก็เกิดขึ้นเฉพาะคนนั้นอาหารอะไรที่ไม่มีใครรับประทานอาหารนั้นก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อท้องไส้ของบุคคล รับสั่งว่าจุนทะเรียบเหมือนอากุศลธรรมทั้งมวลเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องต่ำและความอากุศลยิ่งมากเรายิ่งต่ำจิตใจมันจะต่ำแล้วพฤติกรรมมันจะไม่ต่างอะไรจากสัตว์เชื่ว่าโลภะมันแรงเนี่ยโลภะมันมากในสุดเมื่อต้องการอะไรก็ใช้วิธียื้อแยงบ้นชิง แต่ลราถึงปล้นค่าข่มคืนเป่าบ้านอะไรแต่ไรต่างๆที่เป็นข่าวคราวให้เราได้ยินได้ฟังอยู่มันเป็นอาการของโลภะที่จะเดี๋ยวจะไม่สํานึกถึงบาปบุญคุณโทษอะไรเพราะใจมันถูกครอบงำด้วยอํานาจของอกุศลต้องการอาหารก็แย่งกันต้องการที่อยู่ก็แย่งกันต้องการคู่ครองก็แย่งกันต้องการอํานาจก็แย่งกันบมื่อวันหนึ่งต่อสู้ขัดขวางก็รบกัน บาเจ็บล้มตายไปโดยลำดับจนบางครั้งบางคราวก็เรียกว่าตายกันจนเกือบหมดคนไปเลยพอพันมนุษย์เป็นอันมากในโลกเนี่ยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนี่เกิดขึ้นจากการยื้อแย่งต่อสู้กันแล้วคนที่มีกำลังน้อยก็สู้ไม่ได้ ถูกทำลายลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็สูญพันธุ์หรือถูกกลืนไปก็ปกลายเป็นชนชาติเราเองอย่างคนที่อยู่ในดินแดนโบราณสมัยก่อนเช่นขอมเช่นมอญเช่นอ ะ, อ, อะไรต่างๆเราจะเห็นว่าขอมมันก็ส่วนหนึ่งก็คงถูกกลืนไปกับเขมร น, นั่นแหละส่วนหนึ่งก็คงถูกกลืนไปกับคนไทย แต่ส่วนใหญ่มันหายไปมอนก็เป็นคนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศพมา่าอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเขาก็เป็นคนไทยไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกแบกแยกกับคนมอนคนมอนเป็นพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกันไทยแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด อนวัวาวรามต่างๆของมอนก็ยังแสดงความเคร่งครัดอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นมาเป็นชาติได้หรอกนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายหนึ่งมันตกอยู่ในฝ่ายอากุศลไอ้ฝ่ายที่อยู่ในกุศลถึงจุดหนึ่งเขาก็กลัวที่จะเป็นบาศ ไม่จะต้องการจะเข็นฆ่าทำลายร่างกันหรือดั้งอย่างราชาวงศ์สกยะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลานี้ก็เป็นคนกลุ่มน้อยกระจัดกระจายอยู่ในบางกลาเทศอยู่ในอินเดียอยู่ในเนปาลแต่ก็ไม่สามารถที่จะรวมตัวเป็นราชนา จ, จักได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในกุศลที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าเนี่ย ก็รักษาดีๆยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเอาไว้ไม่ยอมให้ศีลทำลายแต่ชีวิตทําลายได้พอชีวิตยังไงมันก็เกิดอีกแต่ถ้าเราเกิดอย่างผู้ร้ายเนี่ยตายอย่างผู้ร้ายมันก็เกิดอย่างผู้ร้ายภูมิจิตมันก็ตามพบที่จะอุบัติตรงกระดับกลายเป็นพวกอบาย ทุกติบินิบาตนรกสุรกายต่างๆความจิตใจของบุคคลที่ถูกอกุศลครอบงำ ม, มันก็ดึงกันต่ำไปเป็นแถวแต่ที่นี้กุศลทั้งมวลกุศลธรรมทั้งมวลไม่ว่าอะไรก็ตามตั้งแต่เมตตาสัมมาชีพสารวมในการพูดสัจจะ แล้วก็ส่งเสริมสามาคัคคีประสานสามัคคีกระชับสามาคัคคีพูดคำไพเราะอ่อนหวานพูคดคําที่มีสาระประโยชน์ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบามปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามธํามนองของรําภูมิจิตมันสูงขึ้นภูมิธรรมมันสูงขึ้นก็ภูมิจิตมันสูงขึ้นเพราะที่จิตจะไปอุบัติก็จะสูงขึ้นส่งใช้คําว่าเป็นเหตุให้ถึงภาวะเบื้องสูงชั้นใด ความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันมีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้เบียดเบียนหมายความว่าคนที่เบียดเบียนเมื่อมองเห็นโทษัองการเบียดเบียนแล้วก็ไปเลือกเฟ้นอยู่ที่ฝ่ายไม่เบียดเบียนบุคคลล่านั้นก็เข้าสู่ภาวะเบื้องสูงการกดเว้นจากปานาธิบาท มีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เอาผู้ฆ่าสัตว์มาสนึกบาปเห็นโทษของบาปไหมแต่เห็นโทษของบาปก็ต้องการที่จะพ้นจากบาปแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติ ก, กรรมเว้นจากปานาธิบาตมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายไม่พกพาอาสาวุธมีความสำนวนระวังในสัตว์ทั้งหลายนิจิตกอบได้หีริโอตรปะ มีจิตเมตตาอินดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายจนสามารถพัฒนาไปเป็นจิตที่อนุเคราะห์ต่อโลกก็แสดงว่าขัดเกลอกิเลสออกไปจนจิตเปลี่ยนเป็นอยู่กุศลที่ลึกซึ้งหนักแน่นมั่นคงไม่ถูกโยกครอนวันไว้ไปโดยลำดับการเริเวณญานิทานทานอธินาทานก็เหมือนกันมีไว้เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้รักทรัพย์ เอาลักรัพย์มาแล้วเห็นโทษบ้างไหมเห็นโทษวงการลักทรัพย์ก็งดเว้นก็ปรับจิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางจิตไปเรื่อยจิตก็ขึ้นสู่เบื้องสูงและจากนี้ก็ทรงแสดงมาโดยลําดับไปนะฮะก็หมายความว่าหมดกระบวนการของกุศลกรรมบดอกุศลกรรมบดแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการของอริยมรตมีองค์แปประการ ความเป็นผู้ไม่ลูกครัมด้วยทิฏฐิของตนไม่ยึดมั่นถือมั่นและให้สลัดทิ้งไปได้โดยง่ายเนี่ยเป็นทางสมาภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู้ลูกครัมทิฏฐิของตนยึดมั่นถือมั่นและที่สลัดได้โดยยากก้อยเลือกเอาหมายความมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยปรับจิตเป็นสัมมาทิฏฐิ มองเห็นสิ่งตั้งปวงว่าไม่มีอะไรควรแก่การยึดมั่นถือมัน่นเพราะในความเป็นจริงโลกนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแม้แต่ตัวตนที่เราสมมติว่าเป็นเราเราก็จริงมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเราแต่เดี๋ยวเราก็เป็นศพแตเดี๋ยวเราก็เป็นกระดูกเป็นขี้เถาเป็นอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไร เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเป็นผูดเปลี่ยนภูมิไปเลยรับสั่งว่าจุนท่าผู้ที่ตนจมอยู่ในปลักอันลึกแล้วจะยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในปลักอันลึกมันเป็นไปไม่ได้มันเตี้ยอุมอ้มคอับเป็นคนผู้ใหญ่กว่าท่านั้นเดงจะยกคนเล็กกว่าได้ เตีเ้ยกับข้อมเนี่ยมาอุ้มกันไม่ได้ข้อมอุ้มเตี้ยก็ไม่ได้เตี้ยอุ้มค้อมก็ไม่ได้คนที่ตกอยู่ในอกุศลแล้วจะช่วยให้คนพ้นจากอากุศลไม่ช่วยไม่ได้แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในกุศลฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในอกุศลในที่นี้เดิมทีเนี่ยอยู่ฝ่ายอากุศลแต่ท่านก็ชี้ทางกุศลให้ พอจะยินดีไหมถ้าพอจะยินดีก็ก้าวขึ้นสู่ทางที่เป็นกุศลและถึงจุดหนึ่งตัวเองก็จะออกจากทางที่เป็นอกุศลด้วยผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในปรักลึกจากยกบุคคลอื่นที่ไม่จมอยู่ในปรักลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ หมายความว่าถ้าอยู่ลึกนมันก็ตัวใหญ่ก็เถอะคือเรายกคนเดียวก็ไม่ได้แหละแต่ที่นี้ควายหนึ่งก็ไม่จมหรือว่าจมไปนิดหน่อยร่างกายก็พอควัดพอเอียงกันก็พอยกกันขึ้นได้ตนคนที่อยู่ในกุศลมันเกิดเป็นเมตตากรุณาต่อคนที่ตกลงไปในลมก็เกิดสงสารต้องการจะช่วยเขาให้พ้นจากลม แล้วก็มีกำลังมากพอมีความสูงมากพอมีเดี่ยวแรงมากพอก็ยกขึ้นไม่ได้ท่านเราจะเห็นว่ากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระดับต่างๆล้วนมาจากคนที่จเจริญกุศลพระจิตใจเขาจะอบอ้อมารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ตระกูลทั้งหลาย ทีนี้ผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกตนยังไม่ได้แนะนำตนยังดับกิเลสไม่ได้้ดยตนจากสั่งสอนจากแนะนำผู้อื่นจากให้ผู้อื่นดับกิเลสข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะก็จริงเราไม่รู้จักโทษของกิเลสชัดเจนหรือคุณของกุศลชัดเจนที่เรียกว่าเห็นคุณเป็นคุณเห็นโทษเป็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจ แล้วก็มองเหมือนกับไฟที่กำลังลุกไหม้มาเห็นความชั่วเหมือนกับไฟที่กำลังลุกไหม้มากำลังจะล้อมรอบตัวเราเพื่อเกิดความสวาสดีก็ต้องหาทางออกจากวงล้อมของไฟได้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นทอดของไฟที่ล้อมมาจากทีศต่างหลา ย, นยในสุดเราก็ต้องตายในกองไฟ กิเลสที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นกล่าวโดยสรุปก็คือกุศ ล, ลธรรมนี่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อขัดเกลาอากุศ ล, ลธรรมออกไปจากจิตใจจากนั้นก็ส่งแสดงว่าผู้ที่ฝึกตนแล้วแนะนำตนเองแล้วดับกิเลสได้แล้วด้วยตนเองก็จะฝึกสอนจากแนะนำผู้อื่นจะให้ผู้อื่นดับกิเลส ขอนี้เป็นฐานะที่มีได้ชนใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีไว้สำหรับดักกิเลส ข, ของผู้ที่เบียดเบียนก็แสดงว่าการตกลงไปในไอกุศลนนั้นมันก็ตกลงไปได้แต่ต้องเหตุโทษแล้วก็รีบขึ้นจากโทษเหล่านั้นเสียแต่นั้นก็เหมือนกันก็ทรงแสดง ปาณาธิบาตอธินาทานการประพฤติพรหมจรรย์การงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากสเสียดงดเว้นจากคำหยาบงดเว้นจากกระเพรื่อเลวไหลการไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้ของคนอื่นการไม่พยาบาทความเห็นชอบตามทํานองครองทำความดํมรีชอบการเจรจาชอบการทําการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบการพยายามชอบการรลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ ความรู้ชอบความอดทนชอบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไว้สำหรับบุคคลที่เคยมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยเคยมีพฤติกรรมปานาธิบาตินนาทานการมีสมิชาจารย์หมายความมาเคยประพฤติชั่วมาก่อนพระเจ้าก็ทรงแสดงทางที่จะให้เกิดความสวัสดีให้ก็อยู่ใกล้ๆ ก็พลิกจิตทีเดียวมันก็ไปได้ละเห็นโทษของบุรีปั๊บทิ้งปุ๊บเลิกเกลีดขาดไม่ยอมสูบบุรีมันก็ทำได้ทางสองทางทางหนึ่งเขาเรียกว่าทุ ก, กติคือดำเนินไปสู่ที่ชั่วหรือความชั่วคนที่ดำเนินไปก็เรียกว่าทุกะโตคือดำเนินไปชั่ว ยืนเนรก็นีว่าสุกติคือดำเนินไปดีแล้วก็พูดดำเนินไปเขาเรียกว่าสุกโตคือดำเนินไปดีก็มีทางอยู่สองแง่งราจะไปทางไหนอะทางขวาก็เรียกว่าสุกติทางซ้ายก็เรียกว่าทุกติเราไปถึงทางแยกก็เลือกเดินเอาแต่เขามีไว้ให้ เพียงแต่ว่าตัดสินใจเลือกท่านั้นเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราเดินอยู่บนเส้นทางของอกุศลเพียงแต่ให้มองเห็นโทษของอกุศลมองเห็นคุณของกุศลแล้วก็ปรารถนาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก็แยกไปทางขวาแล้วก็ทิ้งทางซ้ายทางซ้ายก็ทําอะไรเราไม่ได้ ประสบการณ์จากทางใช้สั่งซ้ายซ้ายเนี่ยไม่เกิดแต่เราจะมีประสบการณ์ในทางขวามือนี่ก็คือกุศลธรร ม, มากุศลธรร ม, มาหมายความมาท่านแสดงทั้งสองอย่างคนต้องใช้ปัญญาคิดปินิจพิจารณาเลือกเฟ้นดําเนินชีวิตไปในทางที่ชอบที่ควรแต่การต่อไปก็เข้าวพวก ทีนามิทาความฟุ้งซ่านข้ามความสงสัยเสียได้พวกไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบปลูไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่สนีไม่โอ้วดไม่มีมายาไม่เป็นผู้ดื้อดึงไม่เป็นผู้ดูหมิ่นท่านเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายเป็นผู้มีการละยานมิตรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเชื่อมั่นมีความละอายความสะดุ้งกลัวต่อบาป ความเป็นผู้สูตรความประรบ ค, ความเพียรความเป็นผู้มีสติตั้งมัน่นองค์ธรรมจะซ้ำไปอย่างนี้แต่ว่าแสดงคนและนัยากันมาความวนัยยะหนึ่งี่ทรงแสดงในฐานะเป็นคุณเป็นโทษตามสมควรแก่องค์ธรรมนั้นๆนนัยยะที่สองแสดงที่ความเป็นคุณแต่คนอยู่ในฝ่ายโทษ หรือแสดงความเป็นโทษของคนที่อยู่ภายใต้การครอบงำของกิเลสแล้วก็เสนอทางออกคือสายที่สายที่เป็นคุณคือสายที่เป็นกุศลให้เลือกเอาเป็นธรรมะที่คนที่เรียนนักธรรมจันตรีมาแล้วะนะรัะพบ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือโนอกวาวต โอนอกว่าดเป็นการวิเคราะห์สังคมว่าปัญหาของสังคมคืออะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาส่วนที่เป็นโทษใกล้ตัวเนี่ยมาเรียนส่วนที่เป็นคุณใกล้ตัวเนี่ยมาเรียนถ้าคนเราภายในสังคมปฏิบัติตามหลักในโอนอกว่าดได้ไม่กี่ข้อนะฮนะไม่ใช่ทั้งเล่มหรอกเพราะมันเป็นกระบวนการธรรมะ เริ่มต้นได้สักข้อแล้วก็ดึงอีกฝ่ายเดียวเข้ามาอีกเยอะเลยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกันหรือเป็นปัจจัยของการอะกันอาการดังกล่าวที่ทรงแสดงในตอนหลังเนี่ยเป็นผู้นิวร์แล้วก็เป็นพวกของอุปกิดเลส ความโกรธความผุกโกรธการลบรปลูกคุณทานการตีเสมอการริษยาการไม่สนีการไม่อุวดการไม่มีมายาการไม่ดื้ดืงการไม่ดูหมิน่นการไม่รู้ว่า ง, ง่ายสนง่ายนี่เป็นการพลิกอกุศ ล, ลธรรมไม่ใช่พลิกคลิ ก, กอุปกิเลสมาเป็นปราศจากกิเลสพฤติกรรมของบุคคลออกมาในทางบวก แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนคนกําลังเดินอยู่ในทางทางที่ผิดเจ่นวเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้มักผูกโกรธเป็นผู้มักลบหลู่เป็นผู้มักตีเสมอเป็นผู้มักริษยาเป็นผู้มีความสน่เป็นผู้โอ้อวดอ่ะคุณเลือกอ่ะมันมีทางที่ไม่โอ้ววดมันมีทางที่ไม่ริษยามันมีทางที่ไม่สน่ไม่มีทางที่โกรธไม่มีทางที่ผูกโกรธไม่มีทางที่ลบหลู่มันมี แต่คนก็บังเดินผิดเดินผิดก็เสนอให้เลือกถ้าเขาเลือกมีเข้าแม่ว่าเขาต้องเลือกเองแล้วก็ดำเนินไปเองก็หมายความว่าภายในใจเขาได้ถูกธรรมะขัดเกลากิเลสออกไปกิเลสพวกอะไรล่ะกิเลสพวกโกรธพวกผูกโกรธพวกรบหลูพวกตีเสมอพวกริษยาพวกสนีพวกโอ้อวดพวกมีมายา พวกดื้อดึงพวกดูหมิ่นพวกว่ายากสอนอยากพวกไม่มีกัลยาณมิตรพวกประมาทพวกไม่มีความเชื่อไม่มีความละอายไม่มีความสะดุงกลัวต่อบาปมีการศึกษาสลับตักฟังมาน้อยมีความเกียจคร้านมีความมีสติไม่ตั้งมัน่นสิ่งเหล่านี้เมื่อถู ก, กัดเราไปมันก็เปลี่ยนฮะมันก็เปลี่ยนเป็น เป็นกลายเป็นคนที่ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบดูคุณท่านไม่ไม่ตีเสมอคุณท่านเป็นอาการที่ปรากฏแก่ จ, จิตเป็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นปรุงจิตและทำปริ จ, จิตให้เป็นแปรสภาพไปก็ทำนองใกล้กับผ้าย้อมสี ผ้าขาวพื้นหนึ่งเราอาจจะย้อมอะไรเราอาจจะย้อมสีดําก็ได้อาจจะยอ้ อ, จจะยอมสีแดงก็ได้อาจจะย้อมสีเหลืองก็ได้อาจจะย้อมสีเขียวก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าผ้ามันไม่แดงไม่เขียวไม่เหลืองหรอกเพียงแต่ว่าสีเนี่ยมาทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตามความเป จ, จริง อย่างที่เราแบ่งเป็นสีแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยเป็นเรื่องตลกนะเป็นเรื่องตลกมันเรื่องอะไรกับสีมันเรื่องอะไรกับสีสีก็คือสีผาคก็คือผ้าผ้ามันไม่ใช่สีแต่สีมาทำผ้าให้เปลี่ยนแปลงไปคนไม่ใช่สีนั้นสีนี้สีโ น, น้นคนก็คือคน แต่จิตของคนมันถูกเปลี่ยนด้วยการสิงสู่ของกิเลสหรือของธรรมะจิตดวงเดียวกันเนี่ยในขณะหนึ่งเป็นคนดีในขณะหนึ่งเป็นคนชั่วในขณะหนึ่งเป็นคนเฉยเก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรามองไม่ลึกซึ้งพอวันก่อนในมีโยมนักปฏิบัติธรรมะเข้ามาส่วนคุยธรรมะ แล้วก็พูดถึงเรื่องกิเลสนี่ยนะแล้วก็เห็นว่าพอพอพูดกับโยมได้เราก็บอกโยมเคยสังเกตนะไหยเวลาเราถูกกิเลสปรุงจิตเราให้เปลี่ยนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นริษยาเป็นแข่งดีเป็นเบียดเบียดเป็นอาฆาตพยาบาทอะไรก็ไรถามว่าจิตเราเป็นอย่างนั้นจริงเหรอ ถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นก็แสดงออกเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดแต่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นะมันเป็นอกุศลเข้ามาปรุงจิตแล้วจิตมันก็เปลี่ยนไปตามการครอบงำของอกุศลจิตก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแต่อาจจะแสดงอกุศลออกมาในลักษณะต่างๆ แ, แต่เมื่อจิตมันไม่คิดเองอ่ะ มันถูกบงการในคิดและกายวาจาเนี่ยมถูกบงการจากจิตที่ถูกบงการใีกทีหนึ่งคือต่อกันมาเป็นแถวมาพูดง่ายๆว่ากิเลสเนี่ยบงการจิตจิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกิเลสจิตก็เลยคิดไปตามกิเลสและเสร็จแล้วจิตก็คิดจะพูดคำพูดก็ไปตามบงการของกิเลสจิตคิดจะทำก็ทำไปตามการบงการของกิเลส จิตไม่ได้คิดโดยลาพั ง, งถือไม่ได้คิดเองเพราะฉะนั้าเรามองได้อย่างนั้นเราเข้าใจอย่างนั้นว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละคนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยเป็นคนที่นด้เห็นดูแกไม่เป็นดวคของตัวเองที่เราพูดยอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาอย่าเอาเรื่องคนป่วยเนี่ยเพราะแกไม่เป็นดวงของตัวเอง ดังนั้นถ้าเรามองกันได้อย่างนี้ลึกซึ้งขนาดนี้นะไม่มีใครที่น่าโกรธคนที่ถูกบงการของด้วยกิเลสนะเป็นคนที่น่าสงสารแต่คนที่สามารถพัฒนาจิตตัวเองให้ดำรงอยู่ในกุศลธรรมได้อาการกายวาจาก็อยู่ในสุจริต ก็เก่งอะ่ะมีความสามารถต้านทานขัดเกลอกิเลสออกไปได้ทำให้จิตเป็นอิสระจากกิเลสแต่ว่าจิตมันก็ต้องมีเจตสิกเข้าปรุงแต่งเจตสิกที่เป็นกุศลก็มาปรุงแต่งจิตมารักษาจิตมาคุ้มครองจิตก็ทําให้จิตเขาดีก็กลายเป็นพูดดีคิดดีทําดี แล้วเขาก็เป็นคนดีก็ควรแกการยกย่องชื่นชมคนเหล่านั้นที่เอาชนะใจตัวเองได้แต่ทีนี้คนที่แพ้เนี่ยถึงเป็นคนที่น่าสงสารคนที่แพ้กิเลสก็เป็นคนที่น่าสงสารเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะกิเลสได้แต่เราคิดได้อย่างนี้ไม่ต้องคิดมาก การอยู่ร่วมกันในโลกมันจะมีความเป็นมิตรสูงขึ้นมีความเข้าใจกันสูงขึ้นมองแล้วก็จะเกิดเมตตาเอ็นดูต่อคนที่ขาดความเป็นตัวของตัวเองแต่จะชื่นชมยินดีต่อคนที่เอาชนะใจตัวเองได้ สามารถขัดเกลอกิเลสลงไปได้ระดับที่ดำรงอยู่ในสุดจริต ธ, ธรรมแต่ว่าเราสังเกตว่าพวกระดับรูปปัจจาะรูปปาน8นะฮะทั้งหมดนี่แปดข้อพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าเป็นสันเลลธรรมโพ ร, รูปปานสี่ทรงเรียกว่าทิฏฐธรรมวิสุขวิิหาร คือทำที่ช่วยอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็พอมาถึงอรูปอรูปฌานสี่จงเรียกว่าสันตะวิหารธรรมแปลว่าธรรมะที่นำให้เราอยู่อย่างสงบก็ท่านอยู่ได้นานนะแข็งแรงคืออรูปฌานเนี่ยท่านก็แข็งแรงกว่า ต่อาจจะอยู่ได้นานๆจาบใดที่ชาญยังไม่เสื่อมเนี่ยท่านก็สันตะวิหารธรรมไปเรื่อยๆอันนั้นมันกิเลสมันมันไม่ได้ขัดเราออกไปแต่มันตกตะกอนมันตกตะกอนใจยังอยู่ข้างล่างแล้วก็จากนั้นมาจากสีห้ามาเนี่ยจากสีหน้ามา สี่หน้ากุศลกำหบดสิบอริยมรรตไปองค์แปดการปราศจากกุบกิเลสแล้วก็ปราศจากนิวรณทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าสันเลีรร่ยกระทำันมีธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตพวกกุศลธรรมเหล่านี้ทาหน้าที่ขัดเกลาแต่ว่าพวกนั้นมันเป็นอกุศลนธรรม เจระาการค่าศาส ก, การรับทรย์การพฤฤิจิตในกามการผูดเทศเป็นต้นเนี่ยเป็นอกุศลละเกอกุศลละธรรมถ้าไม่สามารถขัดเกลาออกไปจากใจจะเราก็อ่อนแออ่อนไหวไปตามนาดของกิเลส ต, ตอนนั้นดังนั้นท่านจึงทรงสอนตามลำดับ เป็นประเด็นที่น่าน่านำเสนอเป็นรูปเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นมาเป็นภาษาไทยง่ายๆแล้วก็เอามาเกาะกลุ่มกันให้เห็นเพราะถ้าเรานับจำนวนอกุศลก็จะเยอะแต่เราจะเห็นว่ามันที่จริงมันเป็นอาการของกิเลส อย่างยกตัวอย่างในกุศลกระบดสิทธิ์เนี่ยที่ได้ขัดเราไปแล้วประการก็เล่นอยากปาณาธิบาตเนี่ยขัดเราอะไรขัดเราโลภะไหมขัดเราโทสะไหมขัดเราโมหะไหมการเลี้ยงเชี่ในทางที่ชอบเนี่ยมันขัดเราอะไรก็ขัดเราโลภะกับโมหะ การสัมบรณ์ระมัดระวังในกามในขัดเกลวอะไรขัดเกลา์กาลมรรคาขัดเกลว์โมหะด้วยแหละแล้วก็พูดคาสัตว์กคำจริงในขัดเกลวอะไรการพูดเท็จในส่วนใหญ่มันจะเกิดจากโลภะหรือโมหะแต่พวกนี้ค่อนข้างครบนะฮะคือหมายความว่าพูดเท็จเพราะกลัวก็มีพูดเท็จเพราะไม่รู้เรื่องก็มี พูเทพรรักก็มีพูทักเพกราะเกลียดก็มีเร แ, แล้วแต่เรื่องแต่หมายความว่าถ้าเราดำรงอยู่ในความสัตว์สิ่งเหล่านี้ก็ถูกขจัดออกไปถูกขาดเกลออกไปผู้โจ้โยงส่งเสริมไม่เกิดความแตกแยกเรางดเว้นมาส่งเสริมสามาคัคคีประสานสามาคัคคีกระชับสามาคัคคีแต่ว่าจิตที่ใช้ ง, งานได้อย่างเนี้ย มันก็แสดงว่าเราได้ขัดเราวความเบียดเบียนเราได้ขัดเราวความโกรธเราได้ขัดเราวความหลงออกไปจนจิตมันเป็นอิสระได้อย่างน้อยระยะหนึ่งแหละหรือการไม่พูดคาหยาบอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลมาจากการขาจัดโทสะการขาจัดทิศยา การขจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนแล้วก็การขัดเกลาโมหะหรือการงดเว้นจากการพูดเพอ้เอเจ้อเพราะถ้าใจเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเนี่ยมันยังไงมันอดเพอ้เอเจ้อไม่ได้วันก่อนมีคนตาลีตลานมาก็เจอกันที่ ริบมาเจ ด, ดีถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้พระศรีอารมาเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชได้ที่ไหนถามว่าพระศรีอานอะไรพระศรีอานถ้าเป็นประโพธิศาสเวเนตอยู่สวรรค์ชั้นดุษิตอีกนานเนกาเลจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้แกบอกเดียวนี้มาเกิดแล้ว ยืนยัเด็ดเดี่ยวามาบอกคุณเนี่ยมันเพ้อเจอ้อคุณพูดเรื่องที่คุณไม่รู้เรื่องประสีอานมาเกิดได้ยังไงถ้ามาเกิดก็คือเกิดเป็นสัตว์โลกคนหนึ่งแกก็ยังไม่เป็นปัะสีอานท่านจะเป็นปัะสีอานก็ต่อเมื่อท่านได้จัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ทรงพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรถ้ามาเกิดในปัจจุบันก็ไม่ได้ชื่อศรีอาด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเวลาเนี่ยเมืองไทยถ้าเราจะหาพระศรีอาเนี่ยมีไม่น้อยกว่าสิบคนมีคนได้หลอกชาวบ้าน อยู่ในที่ต่างๆนี้เยอะว่าอ้างตัวเองเป็นสี่อันสี่อันนัน่นเป็นอะไรสีร่อันก็เป็นคนน่ะเลยกพ็พอพูดไปก็เลยกลาเลยคือมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าคนเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไร แล้วใครพูดอะไรก็เชื่อแน่นอนคนอ้างเป็นภาษีอ่านเยอะในพระเยซูเนี่ยพวกซาตาคริสต์นิกายคาทอลิกเขาก็เคยอ้างในเรื่องโลกเราคือโลก เ, เราคือผู้ที่โลกรอคอยเนี่ยก็ เ, เคยอ้างเรียบเรียงโดยสมอนเรื่องชาดเขาเคยอ้างแถวสุคุมบิตเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอ้างแต่ยังไพาสาลในเมียสองสามคนแถว ปลานเนื้อก็มีสองสามคนอ้างกันเยอะคือบาปมันเยอะแล้วนะเดี๋ยวหลอกลวงโลกทําไมแล้วก็ลอกลวงรวยรัดด้วยเนะเป็นมาีอานเลยไม่ต้องสร้างบา ร, รมีมาแหละฉันเป็นมาีอาลเลยแต่งตั้งตัวเป็นมาีอานเลยมาีอานบําเพ็ญบา ร, รมีมาเท่าไหร่ะ สิบหอสงไขยกับกบมัยแสนกับพระเจ้ า, าสี่อสงไขยกักมัยแสนกับพระองค์ก็แปดอสงไขยกับมายแสนกับปัจจัยอ น, นั้นระดับสิบหกอสงไขยกับกมัยแสนกับการจ้าุบัติของพระจัยอนี่ตามหลักฐานในพระคัมภีร์บอกว่าถึงยุคหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะเข้าอยู่สู่ยุคมิคสัญญี มีการเข็นฆ่าทำลายล้างกันเดี๋ยวก็ตายกันเยอะอายุเองก็ลดน้อยลดน้อยลดน้อยลงไปอายุไขก็เหลือแค่10ปีก็นึกดูว่าปีตัวขนาดไหนแต่สุดระเกิดกะลียุคมันก็ส่วนหนึ่งก็หนีเข้าป่าก็กลายเป็นคนป่าพัฒนาจากคนป่า ก้าวย่างตรงนี้มันยาวมากเสร็จแล้วโลกก็เข้าสู่ยุคที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนสัตว์โลกมีอายุถึงหนึ่งแสนปีแล้วก็ความเสื่อมก็เริ่มเกิดก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงอีกสองแสนปีไม่ใช่อีกสองแสนปีอีกสองมืนปี ในยุคที่มนุษย์มีอายุไขโดยเฉลี่ยแปดหมื่นปีเนี่ยพระศรีอริยะเมไตไส่ก็จะเกิดขึ้นแต่ถามภาษาในโลกมันเป็นแสนแสนปีอย่างนี้ยังเรียกศรีอริยะเมไตไส่อยู่หรอเพราะภาษาสมัยยุธยาสมัยต้นรัตนโกสินสมัยยุธยาสมัยพ่อขุนเนี่ยเราจะเห็นว่าก็แตกกันเยอะภาษาพ่อขุนทุกวันบางตัวเราก็อ่านไม่ออก อ่านออกแต่ไม่เข้าใจไม่รู้หมายความว่ายังไงสมัยยุธย า, ยยยาเยอะไปเยอะแล้สมัยรัตนโกสินทร์นี่เยอะแต่นี้เป็นแสนแสนเบียร er. เวลานี้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะทรงพระนามว่ายังไงก็ตามแหละท่านก็ตรัสรู้เดียร์สรัศีท่านก็สอนอริยสัจ ส, สี่อย่างที่พูดในในในพระสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่ มักกะสัต์ฝ่ายกุศลก็คือมักกสัตฝวายกุศลก็คือสมุทัยสัตกับอาการของสมุทัยสัตว์และอาการของมักกะสัตไม่มีอื่นไปจากนั้นเลยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าองค์อื่นมาอุบัติก็ท่านก็สอนอย่างไงเนี่ยทีนี้จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อยู่ได้ยังไงก็คําสอนพระพุทธเจ้าเกิดบ้านเกิดเมืองเกิดโลกอย่านี้ดีสัตรูอะไรอธิษฐ์ ก็ก็มีสอนกันอยู่มีการปฏิบัติกันดูมีคนบรรลุมรรคผลกันอยู่แล้วเราก็ไปก็เรียกว่าต้มได้เรืยอปัญหาใหญ่ตรงนี้คือพระพูดแล้วก็หาวริษยาพระไปอธิบายชี้แจงอะไรก็ไม่ได้ริศยากันกลนะัวคนอื่นจะดีเด่นดังขึ้นมา บางทีมีการพูดถึงการบวชพระตั้งห้าแสนแล้วคนก็เชื่อก็แห่กันไปรู้หรือเปล่าว่าพระในประเทศไทยเนี่ยมีสามแสนกว่าเท่านั้นเองสามแสนกว่าตั้งแต่เมื่อไรสามแสนกว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาพระสงฆ์ในประเทศไทยมีแค่สามแสนกว่าเท่านั้นเล้วบวชได้ยังไงตั้งตั้งห้าแสน เอาคนที่ไหนมาบวชแล้วอย่าลืมมาทาาปุ๊บปั๊บเนี่ยพรบเพิ่มขึ้นอีกสองแสนอยู่วัดไหนวัดแต่และ ว, วัดเนี่ยพรบเพิ่มขึ้นมาได้ไม่กี่องค์หรอกมันไม่มีที่อยู่แต่เราก็ไปตามกระแสนบวชทิ้งเป็นแสนสองแสนสามแสน ห้าแสนอนะไรต่างๆบวชนี่แปลเว้นบาปทถทนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบหรอกเว้นบาปการบวชประเภทนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าประเภทหนึ่งคือกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกได้แก่คนที่ไม่ปฏิวัติตามหลักของศีลของธรรม หมาความมากายก็ยังทุจริตวิจาก็ทุจตจิตใจก็ทุจริตไม่ออกทั้งกายทั้งใจไม่ออกจากอํานาจของกิเลสทั้งกายทั้งใจประเภทที่สองกายออกอายออกบวชเป็นนักแบดนักบวชมีรูปแบบนี่แหละแต่ว่าใจยังคิดยัง ค, ดยงคิดถึงเรื่องการเรื่องพยาบาทเรื่องความเห็นผิดอยู่ยังคิดเบียดเบียนกันอยู่พวที่สองเนี่ย ใจออกจากกิเลสแต่ว่ากายไม่ออกกายก็ยังอยู่ที่บ้านแต่ว่าใจท่านไม่มีกิเลสเป็นลักษณะของคารวาสสมนุนีประเภทที่สี่นั้นออกทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็คือพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนากายก็ออกใจก็ออกออกจากอำนาจของกิเลสอันนี้ก็แสดงอะไรแสดงถึงกุศลกับกุศลมือนกัน มันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนไปหาประสีอา่านอะไรที่ไหนหรอกประสีอา่านก็ว่าเป่ากระหมอมเราให้เป็นพระยาบุคคลไม่ได้หรอกเราก็ต้องทําเองท่านก็เพียงแต่สอนท่านก็ตัดสรุแล้วท่านก็สอนแต่ทีนี้ยุคอย่างนี้มันตัดสรูไม่ได้เพราะว่าคําสอนไม่มีอยู่หมดแล้วตัดสรุหมายความว่าเป็นเรื่องที่คนไม่รู้ แล้วเราเรียกว่าสั์สรูเป็นความรู้ที่เป็นผลเกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วมันผุดขึ้นภายในใจเกิดขึ้นภายในหัดไทยของท่านผู้เป็นศาสดาแล้วก็สอนจากหัดไทยของพระองค์ก็กลายเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็หมุนภายในจิตของมนุษย์นี่แหละ แต่ออกมาจากพระไตรที่ผ่านปริยัตปฏิบัติมาแล้วเป็นปฏิเวทอยู่แล้วภายในพระไตรของพระพุทธเจ้าก็สอนด้วยสอนจากปฏิเวทภายในพระไตรแต่พอมาถึงขูเราก็เป็นปริยัตธรรมเราเราปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติธรรมเราเราสัมผัสผลก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสัมผัสก็เป็นปฏิเวทธรรมเราล้วฝังอลาย